บางคนมาทุว้วนเอาเวลาไว้ภาวนาบางภาวนาต้องใช้เวลาเราฟังธรรมะให้ได้แนวรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ไปทาเอาแล้วไม่ทาไม่ได้มีเหมือนกันนะคนรู้ธรรมะในขณะฟังธรรมก็มีแต่ว่ามีไม่มากน้อย ต้องไปทำเอาคนที่รู้ธรรมะมขณะฟังธรรมได้เพราะว่าเวลาที่เหลือเขาปฏิบัติเยอะได้เจริญสติมากๆคอยรู้สึกกายรู้สึกใจมากๆคอยตามรู้ตามดูกายรู้ใจอย่างที่เขาเป็ น, นดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งนะกิเลสความไม่รู้เนี่ยมันทนสติทนปัญญาไม่ไหว เพราะความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาคือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลางัเราคอยรู้สึกนะคอยรู้อยู่ในกายในใจวันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิดไปไม่ใช่สู้กับสิ่งอื่นเลยเราไม่ได้ภาวนานเพื่อสู้กับสิ่งอื่นไม่ได้สู้กับกิลงกิเลสอะไรราคะโทสะอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอก จริงเราสู้กับความเห็นผิดของตัวเองคือสู้กับมิจฉาทิฏฐินึงเราได้ยิดมิจฉาทิฏฐิเรามาักจะคิดถึงคนอื่นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่เชื่อไม่เหมือนเราในความเป็นจริงเราแนให่หลยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิหลายอย่างเช่นเราคิดว่ามีตัวเราถาวรรู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กเด็กก็เราคนเดิมอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิ Blue <น>เห็นว่ามีตัวมีตนจริงๆเราคิดไปถึงวันข้างหน้าเราคิดว่าตายไปเราไปเกิดอีกอันนี้ก็มีจฉาทิฏฐิเราคิดว่าถ้าเราตายไปแล้วเราสูญไปเลยไม่เกิดอีกอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิมันมิจฉาทิฏฐิที่ไหนมิจฉาทิฏฐิที่มันมีเรามีเราเดี๋ยวนี้แหละเรามีจริงๆคิดว่าเรามีจริงๆเรามีจริงๆแล้ว อนาคตเนี่ยมันศูนย์ไปบ้างหรือมันคงอยู่บ้างแต่ว่าปัจจุบันนั้นมันมีเราจริงๆนี่มันเป็นความเห็นผิดนะนส่งผลเกี่ยวเนื่องไปถึงมิจฉาทิฏฐิอื่นๆอีกหลายตัวเลยมาหัดภาวนาไม่ได้มาทำอย่างอื่นแต่มาหัดดูความจริงของกายของใจดูซิมันเป็นตัวเราจริงไหมมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับได้สแสดงว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆ ไม่ใช่ตัวตนถาวรคำว่ า, าอัตตาหรืออัตามันเนี่ยหมายถึงมีตัวตนถาวร อ, อย่างพวกเรารู้สึกขึ้นเป็นคราลเรารู้สึกมีขึ้นเป็นคราลนี่เป็นความเห็นผิดตัวตนถาวรไม่มีหรอกรูปประธรรมนามธรรมานั้นเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเวราะฉนเราไม่ได้พาวนาเพื่อละตัวตนอะไรนะแต่เพื่อละความเห็นผิดเห็นกายนี้เป็นตัวเราเห็นใจนี้เป็นตัวเราค่อยๆหัดดูไปหัดแยกไป เวลากลายกับใจมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเราเข้าไปหมายรู้เรียกว่าสัญญาสัญญาของเรา น, นี้เรียกว่าสัญญาวิปลาสนะเห็นไหมมีเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยเป็นสัญญาวิปลาสเนี่ยคนไทยมายืมศัพท์สัญญาวิปลาสไปใช้ว่าบ้าเป็นการหมายรู้ผิดๆิน่ไปหมายรู้ของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะเรียกว่านิจจสัญญา pues. ไปหมายรู้ของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเป็นสุขสัญญา ไปหมายรู้ว่าของที่เป็นอนัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนเรื่องอัตตาสัญญานี่เป็นวิชาทิฏฐนะิหมายรู้ของที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่า ง, งามเรียกว่าสุภาสัญญานะนี่สัญญาวิปลาสมีใครไม่สัญญาวิปลาสไหมไม่มีหรอกนะยังวิปลาสอยู่ถ้าไม่ใช่พระอธิยะนั้นก็ยังวิปลาสอยู่เราฝึกจนเห็นความจริงวันหนึ่งหายวิปลาส ไม่ต้องกินยายาอะไรก็ช่วยเราไม่ได้นะอาศัยสติอาศัยปัญญ า, า, านี่แหละดูของจริงในกายดูของจริงในใจดูเรื่อยๆไปวันหนึ่งเห็นความจริงร่างกายนี่มันมีชีวิตยอยู่เป็นขณะขนาเหมือนกันแต่ดูยากนิดหนึ่งเพรารูปมันายุยืนแต่ทางจิตใจเนี่ยดูง่ายเพราะจิตใจนะเกิดดับรวดเร็วมากเลย จิตที่มีความสุขมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่มีความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหูจิตลังเลสงสัยจิตไม่สงสัยอะไรพวกนี้เริ่นแต่ของอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยเราพาวนาเพื่อให้เห็นมันมีแต่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรที่ถาวรวันหนึ่งก็ล่าความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้ คำว่าอัตตาอัตมันเนี่ยเป็นตัวตนถาวร อ, อย่างพวกฮินดูเขาเชื่อว่าตายแล้วเนี่ยจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ไม่ต้องฮินดูที่ไหนเราพวกเรานี่แหละเชื่อแบบฮินดนะูเราเชื่อว่าพอเราตายแล้วจิตออกจากร่างนี่ไปเกิดใหม่คล้ายๆปูเสีวนออกจากเปลือกนี้นะเปลือกนี้ไม่เหมาะแล้วเปลือกนี้ปูพังแล้วเปลือกนี้เล็กเกินไปนะมุดออกมานะใครเคยเห็นข้างในมันไหม แต่เดี๋นี้เห็นหน้ามันยังไม่ค่อยเห็นแล้วนะไม่ค่อยมีแล้วสูญไปหมดแล้วออกจากเปลือกหนึ่งไปอยู่เปลือกหนึ่งคิดว่ามีตัวตนที่แท้จริงแล้วก็คิดว่าร่างกายเนี้ยพอแตกสลายไปจิตก็ออกจากร่างออกไปไปเกิดใหม่มีตัวตนที่ถาวรกี่ร้อยกี่พันปีก็เป็นเราคนเดิมนี่แหละเองแต่ว่ามันลืมข้อมูลเดิมไปอันนี้มิจฉาทิฏฐิ แต่ถ้าเราเห็นจิตเกิดดับเป็นขณะขณะไปนะเราเห็นจิตโลภเกิดแล้วดับจิตไม่โลภเกิดแล้วดับเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเวลาดับลงจริงๆจะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยูนะ่หลายคนเริ่มมองเห็นนะเริ่มเห็นแล้วมันมันไม่ใช่ตัวเดียวรวดมันขาดเป็นท่อนๆขาดเป็นชิ้นๆ ช, นะชีวิตนี่เหมือนจิ๊กซอวนะ์ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าต่อไปทางนี้ไปเรื่อยๆ ทีก็วกขึ้นข้างบนนะบทีก็วกลงข้างล่างต่อไปต่อมาเรื่อยๆนะไม่รู้จักจบจากสิ้นเลยพอดูออกก็จะรู้ว่ามันขาดเป็นช่วงๆถ้าขาดเป็นช่วงๆจะไม่มีตัวตนถาวรให้ดูแล้วนะเพราเราหัดภาวนานะเราเห็นจิตใจนี้เกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อย วันหนึ่งเนะี่ยความไม่รู้ของเรามันทนทานสติทนทานปัญญาไม่ได้ความจริงมันฟ้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีตัวเราที่ถาวรมีตัวเราไหมมีตอนที่หลงผิดนะผุดขึ้นมาเป็นคลาล์ๆแวบๆบหแบบนะเป็นการหมายรู้ผิดๆแล้วเราฝึกเรื่อยไปวันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนที่ถาวรคนใดล้างความเห็นผิดตัวนี้ได้กได้เป็นพระโสดาบัน นะบางคนแยกไม่ออกนะเพราะว่าทฤษฎีที่ว่าตายแล้วเกิดทฤษฎีที่ตายแล้วขาดศูนยนะ์ตายแล้วเกิดก็รู้สึกว่ามีตัวตนถาวรตายแล้วขาดศูนย์รู้สึกว่าไม่มีใช่ไหมขัดแย้งกันยังไงพวกที่คิดว่าตายแล้วศูนยนะ์มันคิดว่าปัจจุบันนี้มีมีตัวตนนั่นแหละแต่ตัวตนนี้นะถาวรเหมือนกันนะแต่ถาวร อ, อยู่ช่วอายุไข้นี่พวกนักฟิสิก์คิดอย่างงี้พอ หมดอายุไขไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยตัวตนก็ดับศูนย์ไปเลยหายไปเลยนะคือสุดท้ายก็ยังมีตัวเราอยู่เพียงแต่ว่าตัวตนของเราเนี่ยถาวร อ, อยู่ชั่วคราวชั่วอายนะุพอตายแล้วก็หายไปนี่ก็ยังมีชาติจิเพราะจริงๆถ้าเจริญสติเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะี่จะเห็นว่าไม่มีตัวตนมันมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแต่สภาวาธรรมล้วนๆ เป็นรูปประมบ้างเป็นนามมาทำบ้างเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปถ้าเรียนเข้ามาให้เห็นตรงนี้ได้นะวันหนึ่งเราก็พ้นทุกข์พ้นร้อนไปเป็นลําดับลําดับไปในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีใหญ่คืออนาเทปินทิกะอนาเทปินทิกะจริงๆรู้สึกจะชื่อสุทัตตะแต่ว่าเป็นคนใจบุญชอบแจกข้าวแจกข้าวข้าวสุกนะ แจกข้าวให้คนจนกินก็เลยได้ฉายาว่าอนาถินทิก ะ, ะว่าผู้มีก้อนข้าวแจกให้คนอนาถาอนะไรเงี้ยเพราะฉนั้นเป็นฉายาไม่ใช่ชื่ออนาถินทินากะเนี่ยเป็นพระโสดานะแล้วไม่พัฒนามากกว่านั้นเลยอยู่ได้แค่นั้นนะ่ะไม่เคยพัฒนาต่อไปเลยจนวันที่แกจะตายพระสารีบุตรไปเทศให้ฟังนะว่าสิ่งที่ เราเห็นเป็นเราเนี่ยจริงๆประกอบด้วยขันห้าขันแต่ละขันไม่ใช่เรานะแค่ฟังแล้วแกร้องไห้เลยแกนะบอกทําไมตอนที่ผมยังแข็งแรงอยู่เพราะคุณเจ้าไม่เคยเทศเรื่องนี้ให้ฟังเลยถ้าผมได้ฟังแล้วผมคงไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วนะเพราะว่าจะเห็นเลยธาตุขันเนี่ยมีแต่ทุกล้วนๆ น, นะคดฟ้าแยกแยะไป ท่านได้พระโสดาแล้วท่านเห็นว่าไม่มีตัวตนทาวอแต่ไม่รู้จะไปยังไงต่อล้เดินต่อไม่เป็นนะถ้าท่านรู้จักการแยกธาตุแยกขันออกไปอีกท่านจะเดินต่อไปได้อีกเห็นเลขันแต่ละขันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเสียใจเสียใจว่าสายเสียแล้วทําไมพระคุณเจ้าไม่เทศให้ผมฟังบ้างต่อไปนี้ขอรัตนานะขอให้พระคุณเจ้าและภิกษุทั้งหลายนียได้โปรดเถอะ โปรดเทศเรื่องขันห้าให้โยมฟังบ้างนี่หลวงพ่อก็ทำตามที่พระสารีบุตรรับอาราธนาไว้นะไม่ใช่เราอุตริประเทศอะไรวะพี่ลึกพี่ลั่นผู้มีสติมีปัญญาเขารู้ว่าธรรมะอะไรสำคัญนะธรรมะแค่ว่าไปรักษาศีล น, นะไปถือศีลให้ดีอย่าทำผิดไปทำบุญทำทานนะฝังลูกนิมิตไปขุดโบสถ์ มันต้ขุดขุดฝังฝังกันอยู่นั่นแหละไอ้พวกนึงฝังพวกหนึ่งขุดไปเรื่อย <laughs> เดี๋ยวนี้บางแห่งนะสร้างโบสถ์ใช้เงินเยอะ <laughs> เขเลยฝังลูกนี้ไม่ทุกปีเลยปีละลูก <laughs> บางคนก็ยกบางวัดก็ยกชอบ้าปีละช่อนะมีหลายช่อยกไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นก็ดีเหมือนกันให้คนทําบุญะแต่มันไม่ดีเลิศเพราะมันไม่พ้นทุก เราได้ยินธรรมะเรื่องการแยกธาตุแยกขันธ์นะเรื่องการรู้ว่าขันธ์ทั้งหลายกายรูปเบชนาสัญญาทางขารวิญญาณย่อลงมาเป็นรูปประธระรมกันนำมรรม ท, ทั้งหลายเรื่องแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นธรรมะที่บัณฑิตทั้งหลายนี่เข้าฝ่ายฝันที่จะได้ยินเพราะธรรมะชนิด น, นี้นะได้รู้ได้เห็นได้ยินแล้วเข้าใจขึ้นมานะจะพ้นทุกข์จริงๆงั้นเราได้ยินธรรมะนะใครรู้สึกลงมา ไปเรียนรู้ขันห้างของเรานี้แหละเรียนรู้ย่อๆขันห้ามากไปก็เรียนเป็นรูปประธรรมกับ น, นามธรรมขัน ห, ห้าเนี่ยย่อลงมาแล้วก็เหลือรูปประธรรมกับนามธรร ม, าามตัวรูปก็เป็นรูปประธรรมตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวนามธรร ม, า ถ, ามถ้าเราเห็นรูปประธรรมนามธรรมในกายในใจนี้ดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เห็นนะรูปประธรรมนามธรรมทั้งหลายในกายในใจนี้เกิด <c oughs> ขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยมีแต่ความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา มีแต่ทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวล า, าไม่มีตัวตนถาวรในรูปในนามนี้เฝ้ารู้ลงไปวันหนึ่งสติปัญญาพอทั้งก็พ้นไปเป็นลำดับลำดับเบื้องต้นได้พระโสดาก่อนสมัยพุทธกาลพวกเราเคยสงสัยไหมทำไมตำราบอกว่าต้องรู้รูปนามนะถึงทำมิปัสนาทำไมท่านที่บรรลุพระโสดารุ่นนู้นไม่เห็นเคยรู้รูปนามเลยท่านฟังธรรมะธรรมดาธรรมดาท่านก็บรรลุแล้ว ไม่เคยได้ยินคำว่ารูปนามในอนานทบินพิกะนจนมันสุดท้ายจะตายแล้วถึงได้ยินคำว่ารูปนามท่านไม่รู้นะท่านไม่ไม่รู้ชื่อมันแต่ท่านรู้สภาวะมันได้คนทึ่งบรรลุทําได้สะสมบารมีมานานไม่ใช่ทํากันปุ๊บปุ๊ปั๊บ ป, บ ป, บปบหรอกสะสมกันข้ามภพข้ามชาติเลยนะพวกเรากว่าจะมานั่งตรงนี้ได้ เ, เราต้องสะสมบารมีมาแล้วนะ คิดดูคนทั้งโลกตั้งหลายพันล้านคนมีกี่คนที่ได้เคยฟังธรรมะไม่ต้องคนทั้งโลกแล้วคนไทยหลายสิบล้านมีเท่าไหร่70ล้านได้ใช่ไหมมันมีกี่คนเคยฟังธรรมะมีไม่กี่คนหรอกที่เคยฟังธรรมะทําไมพวกเราเป็นคนส่วนน้อยที่ได้เคยฟังธรรมะเราสร้างบุญมาดีแล้วนะเราสร้างบุญมาดีแล้วเราถึงได้เกิดในแผ่นดินซึ่งมีธรรมะดํารงอยู่เราทําบุญมาดีแล้วนะเราถึงจะสนใจใฝ่รู้ เราทำบุญมาดีแล้วนะเราถึงจะได้มาเจอผู้แสดงธรรมะถึงจะได้ฟังธรรมะเรืออันสุดท้ายเท่านั้นเองนะจะได้บุญเต็มที่หรือไม่เราปฏิบัติทำสมควรแก่ทำหรือเปล่าเท่านั้นงั้นถ้าเราเคยศึกษาธรรมะมานะสงสมมาในใจอย่างพวกเราเนี่พอเราฟังธรรมะเราเข้าใจง่ายถ้าคนไม่เคยสะสมมาเลยนะจะเข้าใจยากอะไรเขาไม่รู้รูปนามฟังแล้วไม่เอาดีกว่า คนที่เคยสะสมมาแล้วเนี่ยจิตมันเดินด้วยตัวเองได้ชำนิชำนาญแล้วนะเวลามีอะไรมาสะกิดนิดเดียวมันปิ้งเลยนะมันปิ้งขึ้นมาได้เลยงั้นท่านที่ท่านได้รวดเร็วนี้ท่านปิ้งปิงขึ้นมารวดเร็วเนี้เพราะท่านสะสมของท่านมาเยอะแล้วตอนหลวงพ่ออายุสิบ ป, ปวบนะไฟไหม้ข้างบ้านตกใจนะวิ่งไปจะไปบอกพ่อวิ่งก้าวที่หนึ่งสองสามนี้วิ่งด้วยความขาดสติเลย พอครั้งที่สามเนี่ยเท้าเหยียบพื้นครั้งที่สามเนี่ยจิตตื่นขึ้นเลยจิตรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นในฉับพลันเลยมันเห็นจิตที่กําลังตกใจนะตอนตกใจขาดสะบั้นไปทําไมอ่ะคนทั้งโลกเวลาตกใจมันไม่มีใครย้อนมาดูถึงใจตัวเองเพราะมันไม่เคยฝึกมางั้นคนซึ่งเคยฝึกมานี่นะเวลาภาวนาจะ ง, ง่ายเพราะมันเป็นร่องรอยเป็นรูปทางที่เคยเดินมาแล้วแต่ว่าพอตายไปแล้วมันลืมไปช่วครั้งช่วคราว เพะพวกเราหัดเจริญสตินะอย่าฟังอย่างเดียวฟังเนี่ยถ้าคืนแค่รับฟังธรรมะไปเนี่ยแค่แก่ๆ ก, ก็ลืมหมดละแต่ต้องลงมือปฏิบัตินะให้ใจคุ้นเคยกับการเจริญสติไว้คอยรู้สึกไกลยคอยรู้สึกใจไว้ต่อไปไปฟังธรรมะนะสมมุติว่าชาตินี้ไม่บรรลุชาติต่อไปได้ยินธรรมะประโยคสองประโยคอาจจะบรรลุเลยก็ได้นะงั้นคนที่เขาบรรลุเร็วเพราะเขาลำบากมาก่อนแล้วทั้งนั้นเลยไปดูใน ประวัติพระสาวกทั้งหลายพวกเราได้ฟังธรรมะนะมีบุญแ ล, ล, ล้วละหาเจริญสติหารู้กายหารู้ใจไปอย่าท้อถอยบางคนจะได้ในชีวิตนี้หลายคนจะได้ในชีวิตนี้แต่อีกหลายคนยังไม่ได้ในชีวิตนี้ต้องสะสมไปอีกอย่าท้อถอยถ้าท้อถอยก็คือไม่ได้ตลอดไปเดินไปเรื่อยนะวันละเก้าสองเมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปวันหนึ่งมันต้องได้ เส้นทางนี้นะมันเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ยาวไกลเท่าที่คิดหรอกเส้นทางนี้ไม่ไกลเท่าไหร่คล้ายๆจากนี่ไปสีราชาเองเพราะจริงๆนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่นะสีราชาไกลไปนะสีราชาไปไกลเกินไปเดินยวนี่เทียบให้ฝังสมมติอยู่สีราชานิพพานอยู่สีราชาเดินทุกวันวัละก้าเดินไปเรื่อยแต่ต้องเดินให้ถูกทาง ถ้าเดินไปทางนี้ก็ไม่เจอใช่ไหมเดินไปทางนี้ก็ไม่เจอทางนี้ก็ไม่เจอต้องเดินไปทางนี้ข้ามเขาไปข้ามห้วยไปเลยนะเดี๋ยวก็เจอถ้าเดินผิดทางไม่เจอถ้าเดินถูกทางคือมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะวันหนึ่งก็เจอไม่ยาวไกลเท่าที่คิดหรอกเพราะนิพพานอยู่ใกล้ตัวนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานอยู่กระทั่งในใจเราตอนนี้แต่เราไม่เห็นเองนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนทรงนิพพานอยู่แล้วนะคนละเรื่องกันนะ คนไม่เห็นนิพพานเนี่ยไม่ทรงนิพพานอยู่ได้หรอกมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดเลยอะไรมันปิดบังนิพพานไว้สมมุติบัญญัตินะ่ะปิดบังรูปนามไว้รูปนามก็ยังปิดบังนิพพานไว้อีกทิง้งสมมุติบัญญัติก็ปิดบังนิพพานไว้อีกทิง้งมันถูกซ้อนปิดบังไว้หลาผลงั้นเรามีสตินะท่านแรกรู้ตัวขึ้นมาเราหลุดออกจากสมมุติบัญญัติก่อนมารู้กายมารู้ใจ เมื่อไรเห็นความจริงของกายของใจนะจิตวางกายวางใจปั๊บลงไปนะก็จะเห็นนิพพานเลยไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยนะเพราะเวลาเราพอนาเรารู้อยู่ที่กายที่ใจนะเวลาปล่อยวางกายปล่อยวางใจก็ปล่อยวางอยู่ตรงนี้เองนิพพานก็ปรากฏอยู่ตรงนี้เองนะไปเทียบสีราชานี่ไกลมากจริงจริงจะว่าปลายจมูกก็ยังไกลเกินไปอยู่ที่ใจเราเนี่ยพ้นความดินน้นรนพ้นความปรุงแต่งพ้นความอยากขึ้นม่อะไรมก็เห็นอยู่ตรงนั้นเลยนิพพานรู้ได้ด้วยใจ น, นิพพานเป็นธรรมารมลรู้ได้ด้วยใจนี่ไม่ใช่รู้ด้วยตามีบางคนภาวนาแล้วบอกว่าเห็นนิพพานะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเห็นแนละรู้ด้วยตานี่มองได้เห็นเลยนะพระเจ้ามาแล้วพระเจ้ายิ้มแล้วพระเจ้าเนี่ยหน้าตาท่านเป็นรูปไข่นี่รู้รู้เยอะนะอีกคนนึงนั่งพระพุทธเจ้าหน้าตาท่านเป็นสี่เหลี่ยมนะก็ไปคงมีสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมมีอะไรไปได้อะนะ แล้วแต่กิเลสจะปรุงไปพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงใครเคยเห็นไหมพระพุทธเจ้าจริงๆคือตัวธรรมะนั่นแหละร่างกายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเช่นเดียวกวับร่างกายของพวกเรานี่แหละดังนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัวจริงหรอกตัวธรรมะแท้ๆนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยนิพพานไปไหนหายไปไหนเลยนะ ยังอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ศูนย์ไปแล้วหรอกวันใดที่เราเข้าถึงธรรมะเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเลยฝึกเอานะฟังแล้วเหมือนยากฟังแล้วเหมือนลึกลับมือนลึกลับเพราะมองไม่เห็นของอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละไม่ได้ไกลตัวอะไรเลยหัดรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจสภาวะอะไรมันมาครอบงํำกายครอบงําใจได้ให้รู้ทันมันนะ รู้ทันไปเรื่อยใจเรานี่แหละถูกกิเลสครอบงาตลอดเวลาขนาดนั่งภาวนานะก็ยังถูกกิเลสครอบงำได้สารพัดรูปแบบเลยเช่นภาวนาไปแล้วใจโล่งว่างขึ้นมายินดีพอใจในความโล่งความว่างแล้วมองไม่เห็นนี่ก็ถูกกิเลสลากเข้าไปละภาวนาไปแล้วเกิดความรอบรู้แตกฉานมากมายนะแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับธรรมะอันนี้ก็กิเลสลากเข้าไปละนี่เรียกว่าวิปัสสนูไปกิเลสทางนั้นเลย หรือภาวนาไปแล้วมีปีติทั้งวันเลยนะขนลุกขนบองตัวลอยตัวเบาตัวโครงนะทำอะไรก็โอ้ยมีแต่ปีติมันปลื้มอยู่อย่างนั้น น, ะนี่ก็ถูกกิเลสหลอกเอาละถูกความฟุ้งซ่านของจิตหลอกเอามันถูกหลอกได้เยอะแยะทนะุกรูปแบบเลยลองไปอ่านเรื่องวิปัสสนูนะกิเลสมันหลอกใจมันฟุ้งซ่านทั้งสิ้นเลยเพราะฉั้นไม่ว่าใจเราแอบไปปรุงแต่งไปสร้างภพสร้างชาติอะไรเราคอยรู้ทันไปด้วย มันไปสร้างความชั่วขึ้นมาก็รู้ทันมันไปสร้างความดีขึ้นมาก็รู้ทันมันไปสร้างความเฉยๆขึ้นมาก็รู้ทันรู้ไปด้วยมันสร้างอะไรขึ้นมารู้ไปด้วยวันหนึ่งน้ําสร้างอะไรก็หลอกเราไม่ได้นะงัน้นก็โดนมันหลอกไปถูกหลอกเรื่อยๆไปภาวนานมีแต่สู้กับความไม่รู้นี่แหละเพราะใจเราไม่ฉลาดใจเราถูกกิเลสหลอกลวงเอาตลอดเวลางั้นเราต้ค่อยๆฝึกสติแล้วรู้ทันใจของเราไปได้ คูบาาจารย์ทุกๆองค์เลยนะที่เคยพบมาเนี่ยสุดท้ายท่านมาสอนลงที่จิตหมดเลยทุกองค์เลยทุกๆองค์กระทั่งแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วท่านเล่าการปฏิบัติของท่านแต่เบื้องต้นท่านพุโทโธพิจรรคายนะมาแบบครูบาอจารย์สุดท้ายพอท่านเพื่อกลายไปหมดท่านก็เข้ามาที่จิตเหมือนกันพอเข้ามาที่จิตเนี่ยท่านบอกท่านมีสติรู้จิตไปเรื่อยส่วนมันจะพ้นเมื่อไหร่เรื่องของมันละ ไม่รู้จะทํำยังไงสุดสติสุดปัญญาแล้วนี่ครูบาอาจารย์สอนแล้วมาลงตรงนี้หมดเลยนะบางคนดูจิตได้ก็ดูไปเลยบางคนดูไม่ได้ก็ไปอ้อมๆ ม, มาก่อนนะยึดถือในกายรูปธรรมรุนแรงก็ดูนามารมไม่ออกก็ไปดูรูปธรรมดูกายไปก่อนนะดูกายจนเห็นความจริงเลยกายเป็นเป็นของถูกรู้ถูกดูนะเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันวางไม่เอากายนำวางไป ตัวจิตเขาจะเด่นดวงขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้จิตต่ออย่างนี้ก็ได้บางท่านท่านก็ดูจิตรวดเข้าไปเลยอย่างตัวหลวงปูดูเองหลวงปูดูเองไปเรียนอย่ากหลวงปู่มั่นนะสมัยนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ยังไม่ถึงขั้นสุดขีดอะไรหรอกนะท่านภาวนาได้ถ้าเทียบกับมหาวิไลนะคือจบปีสามแล้วกำลังเรียนปีสยังไม่จบนะนี่หลวงปูดูไปเรียนด้วย หลวงปู่มั่นก็สอนหลวงปู่ดูลทำความสงบแล้วก็พิจารณาไก่นี่แหละเบื้องต้นนะพอท่านทำสอบปีหนึ่งผ่านเนี่ยนะไปเรียนต่อหลวงปู่มั่นสอนให้ดูจิตละสอนเลยสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพพสัญญ า, อ น, าอนัตตาสอย่างนี้หลวงปู่ดูลท่านก็มาดูดูนะดูอยู่ไม่กี่เดืนอนหรอกท่านก็แจ้งอริยสัจขึ้นมา รู้เลยว่าถ้าไม่มีความเป็นตัวเป็นตนนะถ้าไม่มีความปรุงแต่งความเป็นตัวตนก็ไม่มีถ้าไม่มีความเป็นตัวตนนะความทุกข์ก็มันก็ไม่มีที่อยู่ที่ตั้งก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ท่านเลยรู้แจ้งอริยศาสตร์แห่งจิตขึ้นมาลีลาแห่งการรู้แจ้งของท่านก็ประหลาดนะท่านก็คงจเจริญสติธรรมดานี่แหละถึงเวลาก็ทําความสงบมั่งเดินจงกรมอะไรของท่านก็ทําอย่างนี้นแหละ เหมือนที่เราปฏิบัติเนี่ยแต่อินทรีท่านแก่กล้าแล้วท่านใช้เวลาไม่มากนะวันหนึ่งบินบาบมาฉันเสร็จแล้วท่านเอาบาตไปล้างระหว่างนั่งล้างบาตอยู่เวลาท่านพูดถึงเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าท่านนั่งล้างบาตแต่หลวงพ่อก็ไม่เห็นว่าพระรุ่นโบราณยืนล้างบาตนะแต่พระรุ่นใหม่เนี่ยยืนล้างบาต ท, นะที่ล้างมันสูงนั่นอยู่ตามห้วยตามเขาตามอะไรนะต้องนั่งล้างแนละระหว่างที่ล้างบาตเนี่ย มีแมวตัวหนึ่งวิ่งมาะมีหมาสามสี่ตัวไล่มามาไล่กัดแมวลงปู่ก็หันไปดูแมวเนี่ยวิ่งทุบๆไปเจอต้นมะละกอก็โดดขึ้นต้นมะละกอไปเกาะอยู่ข้างบนหมาก็มาล้อมต้นไม้ไว้เห่าใหญ่หมาเนี่ยจะขึ้นต้นไม้ไม่ได้สัตว์ตระกูลหมามันไม่ขึ้นต้นไม้หรอกพวกหมายกเว้นหมาชนิดเดียวชื่อหมาไม้หมาไม้ขึ้นต้นไม้ได้แต่หมาไม้ไม่ใช่หมาเรียกเป็นหมาไปอย่างนั้นะ แมวเนี้ยนะพอเห็นมาอยู่ข้างล่างนะแมวก็หัวเราะเยาะหัวเราะเยาะหมาด้วยใจนะแม่แมวคงไม่ร้องเฮ่เฮออกมานะถ้าอย่างนั้นหลวงปู่คงไม่ได้อะไรคงตกใจเพราะแมวมันหัวเราะเยาะหมานะว่าเอ็งทําอะไรข้าไม่ได้แนละ้วท่านบอกตอนนั้นท่านปิ๊งเลยท่านเข้าใจเลยว่าถ้าจิตพ้นจากความปรุงแต่งแล้ความทุกข์ก็มีไม่ได้นะทําไมต้องไปเกิดตอนนั้นคล้ายๆเรื่องพระเซนเลยเนาะ เสซนิอีกคิวซังนะซาตโตริตอนได้ยินอีการ้องพวกเราไปหาเทพอีกามาฟังนะบางมันก็ไม่ซาตโตริหรอกงั้นหน้าที่ของเรามีอันเดียวแลวหละภาวนาไปะเจริญสติไปเหมือนเรามีหน้าที่กินข้าวก็กินไปนะหน้าที่อิ่มมันเป็นหน้าที่ของท้องไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกหน้าที่กินก็เคี้ยวไปกินไปถึงเวลาวันใจมันพอแล้วมันก็พอของมันเองแหละเราไม่รู้หรอกว่าเราจะพอตอนไหน กลางวันหรือกลางคืนเราไม่รู้หรอกว่ามันจะพอตอนไหนเราไม่รู้ว่าจะพอตอนยืนตอนเดินตอนนั่งหรือตอนนอนไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าจะพอตอนหายใจออกหรือหายใจเข้าแต่ว่ามันพอตอนมีสติถ้าเมื่อไรเราทิ้งขาดสตินะเออเราเหยื อ, อลอยชัยไปนะไม่พอหรอกในขณะนั้นเมื่อเราฝึกมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆนะรู้ไปเรื่อยๆวันไหนมันพอมันก็พอของมันเอง ใจเราจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งความทุกข์มันจะตกหายไปจากใจเรามีความสุขล้วนๆเลยครานี้ใ่อฝึกเอานะเนาะวันนี้เทศแค่นี้พอนิมนต์ท่านอาจารย์นะยครับนิมนต์